ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องพระธรรมจากกัตรนสูตรมาถึงช่วงสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยืนยันต่อท่านปัญจวัคคีย์ว่าลูกกรริกษูตรทั้งหลายก็เมื่อได้แลปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงของเรา ในเรียสัตว์สีนี้มีรอบสามเมาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วตุก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้สัจจรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือคาว่ามีรอบสามเมีาการสิบสองเนี่ย เรองความจะสังเกตเห็นว่ารูปเสมาธรรมจักมีสี่ซี่บ้างมีแปดซี่บ้างมีสิบสองซี่บ้างมีสิบหกซี่บ้างมีสามสิบเจ็ดซี่บ้างเดี๋6สามสิบหกซี่นะมีสามส3บเจ็ดซี่เรือววาเจตนาต้องการจะทำให้ได้สามสิบสิเจ็ดซี่คือพธิปรุรคยาทำสามสิเจ็ดในกรณีของสี่ซี่นั้น ก็หมายถึงอเดียสัตว์สี่แปดสี่ก็หมายถึงอะเรมาส์องแปดสิบสองสี่ก็หมายถึงตรงเนี้ยหมายถึงยานที่เกิดขึ้นในอริยศาสตร์ทั้งสี่ประการคือสัตสัจญาณปีชาอย่างรู้อริยศาสตร์แต่และข้อว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นยานละหนึ่งครั้งก็เป็นสี่ครั้ง กิจยานปุดขึ้นรู้ภารกิจที่จะต้องทําต่ออริยสัตว์แต่ละข้อว่าควรปฏิบัติอย่างไรเช่นทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้มมรรคควรเจริญก็รู้กิจที่ควรทําในอริยสัตว์เหล่านั้นก็กลายเป็นสี่รวมเป็นแปดและกัตายานคือรู้ว่าทุกที่ตนควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้ว สมุทัยสมุทัยควรละได้ละแล้วนิโรธนิโรธควรทำให้แจ้งไดนะ้ทำให้แจ้งแล้วมรรคควรเจริญได้เจริญแล้วอีกสี่ก็รวมแล้วก็สี่สามก็เป็นสิบสองเราแสดงว่ามีรอบสามมีอาการสิบสองเป็นความรู้ที่หมดจดคือไม่ต้องแสวงหาความรู้อีกต่อไป เราจึงพบว่าตลอดระยะเวลาหลังจากศัตรูแล้วพระพุทธ้า ก, ก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมอะไรที่ไหนจากใครแต่ประการใดใครยกเรื่องอะไรขึ้นมาพูดก็พูดได้ตลอดรับสั่งได้ตลอ ด, ดแสดงถึงเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์หมดจดจริงๆทีนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้พระองค์ก็จะไม่ยืนยันสถานะของพระองค์ในลักษณะอย่างนั้นการที่ยืนยันก็เพราะว่า เป็นความรู้พร้อมรู้ชอบตามความเป็นจริงไม่มีภารกิจที่จะต้องแสวงหาข้คว้าเพื่อรู้อะไรต่อไปอีกแล้วได้จากนั้นน่ยพระยานก็ได้เกิดผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ว่าความพ้นพิเศษของเรากลับไม่กลับกำเริบอีกต่อไป หมายความมันเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสและหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงกิเลสในที่นี้ก็ส่งเน้นไปที่ตัณหาทั้งสามประการก็คือโลกปวดหลงนั่นเองแล้วก็ความทุกข์ก็ทุกเกิดแก่ตายนะฮะทุกใหญ่ก็คือเกิดเกิดแก่ตายไอ้ทุกจนๆทั้งหลายนี่พระองค์ไม่มีกิเลสเป็นเหตุยึดถือเพราะาจริงทุกทุกจนๆทั้งหลายเนี่ยลองสังเกตเช่นปวดหัวปวดท้องอะไรแต่ไรนี่ที่จริงมัน เราเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรเท่าไรแต่เราไปรู้สึกว่าเราปวดหัวเราปวดท้องเราไม่สบายเราคันเราปวดเราเจ็บจึงรู้สึกเดือดร้อนไปกับความทุกขเวทนาเหล่านั้นแต่ถ้าปล่อยวางตัญหาอุปาทานความอยากความยึดลงไปได้ความรู้สึกเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงไป แล้ววันก่อนก็พูดมาถึงประเด็นว่าอยมันติมาญาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายคำวมชาติก็คือความเกิดในกำเนิดทั้งสี่คือเกิดใ น, นคันเกิดในไข่เกิดในสิ่งสปกปรกแล้วเกิดโดยผุดขึ้นเนี่ยจะไม่มีการเกิดในกำเนิดอะไรอีกต่อไปเพราะว่าหลักธรรมที่ส่งแสดงเนี่ย แสดงพบไว้ยสามคือการมาพบรูปประพบอ ร, รูปปพบจะ แ, แสดงภูมิไว้สีคือกามาวาจารภูมิรูปาวาจารภูมิมารูปาวาจรภูมิมันก็รุตระภูมินั้นก็แสดงให้เห็นว่าภูมิเนี่ยเป็นชั้นของจิตที่มีความประณีตลดหลั่นกันขึ้นไปโดยลดําดับโลกุตระมันก็ยังเป็นชั้นของจิตอยู่เป็นภูมิของจิตอยู่ แต่ว่าโลกุตระไม่มีพบเป็นที่อุบัติเพราะว่าในความเป็นโลกุตระนั้นได้ทําลายสาเหตุที่นําไปสู่พบคือตัณหาเครื่องนําไปสู่พบได้หมดสิ้นแล้ววิชาก็ดับไปแล้ววิชาดับสังขารดับบินญาณดับนํารูปดับก็ดับไปหมดแล้วผล พ, พบใหม่ของปรุงจึงไม่มีอีกต่อไปไม่ว่าจะปรากฏในรูปรักษ์อย่างไรก็ตามแต่ในขณะเดียวกัน ก, ก็ทรงดํารงอยู่ด้วยประคุณ อย่างพวกเราในปัจจุบันเนี่ยเราจะสัมผัสพระคุณพระพุทธเจ้าเมื่อไรก็ได้นะฮะอยู่ที่ใจตลอดพระพุทธคุณอยู่ทุกขนทุกแขงเราน้องปัญญาคุณให้เกิดขึ้นน้องบริสุทธิคุณให้เกิดขึ้นน้องกรุณาคุณให้เกิดขึ้นเมื่อไรก็เกิดขึ้นได้ตรงนี้ที่ดีเป็นความดีที่ว่าไม่เลือกที่รักมากที่ชัง หมายความว่าใครต้องการจะน้อมนำพระพุทธคุณทั้งสามประการมาไว้ภายในใจตัวเองก็ทําทได้ตามลําพังไม่ต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อายตนะนิพพานที่แดนนิพพานที่เมืองแก้วเขาแล้วคือปนิพพานอะไรต่างๆวันก่อนพบ ก, กับลูกศิษย์เขาเป็นคณะบดีที่บัณฑิตวิทยาลัยที่สภาการศึกษาไอที่ทมห า, ม า, นะาวิทยาลัยนี่นะะมหาวิทยาลัยมหากวิทยาลัย ก็บอกว่านักศึกษาก็สอบถามว่าแกคิดยังไงคิดไปคิดมานิพานเนี่ยเป็นอัตตาทุกทีเลยก็ถามก็บอกเ้าคิดยังไงจึงเป็นอัตตาก็ปรากฏว่าท่านยั ง, งจับประเด็นอะไรไม่ค่อยได้อัตตากับนัตตาในหมายความว่ายังไงคือเราจะเห็นว่าอัตตาเนี่ยมันเป็นตัวตนที่ถาวรยืนโรงเป็นการเดนการเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง แล้หมุนวนอยู่ในสังสารวัตรระยะหนึ่งเอถึงจุดหนึ่งก็จะสำรวจความพอใจในภพแล้วก็จะไปอยู่รวมกับตัวปรามาตถมาได้ อ, อยู่ร่วมหรืออยู่รวมก็ไม่แน่ทางศาสนาบอกว่าไปอยู่รวมคือผนึกเป็นเนื้อเดียวกันบางอย่างก็บอกว่าอยู่ร่วมเป็นบริวารเป็นรับใช้ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ารออะไรก็ตามแต่ใครจะเชื่อเอา ซึ่งเราลองนึกดูว่าไปอยู่ทําไมอยู่เป็นคนรับใช้เขารับใช้เราผู้เป็นเจ้ามาตั้งนานเลยยังไม่พอเลยทําไมจะต้องไปรับใช้เขาอีกเขาเป็นอะไรทําไมเราจะต้องรับใช้เขาเพราะนิพพานเป็นอิสระจริงๆนิพพานจึงเป็นสุขเป็นสงบเป็นเย็นแต่ว่าสุขนั้นมันเสวยเมื่อชีวิตยังมีอยู่นะ แต่เนื่องจากมันตรงกันข้ามกับทุกอะท่านก็นพูดเราเป็นสุขสุขก็เป็นคําที่สมมติเรียกเอาเพราะว่าเมื่อนิพานไปแล้วเนี่ยตัวนิพานตัวภาวะนิพานเนี่ยก็ไม่ได้สบายสุขจิตคนที่บรรลุนิพานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองเป็นผู้สบายามสุขแต่ว่าเมื่อดับขันดับนิพานไปแล้วก็จบสิ้นกัน ความทุกข์นั้นยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตแต่นิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรวันท่านจึงเรียกว่าเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นแล้วก็ทรงแสดงไว้ว่าภพใหม่เนี่ยภพใหม่ก็คือภพกา ร, รมมาภพคือภพเนี่ท่านแบ่งไว้โดยรายละเอียดแล้วถึงเท่าไรสามสิบเอ็ดภพด้วยกันนะสามสละเอียดภพด้วยกัน แต่ว่าโดยหมวดแล้วก็มีแค่สามหมวดใหญ่คือสามภพใหญ่ๆได้แก่กรารมากามาพบคือพบที่ยังสวยกามอยู่ก็ได้แก่พวกมนุษย์พวกสัตว์ทั้งหลายพวกมนุษย์พวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ยังยังสุยบกามกันอยู่ก็แสดงว่า ยังมีภพยังมีชาติอยู่แล้วก็พบบางภพนั้นก็ไม่ต้องไม่ได้เสพกามแต่ว่าก็ยังก็ยังมีภพอยู่เช่นพวกพวกรูปประพรมทั้งหลายเนี่ยพวกรูปประพรมทั้งหลายก็ยังยังท่องเที่ยวอยู่ในภพแต่ว่าประพรมนี่มันไม่ต้องเสพกาม คือไม่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับการอีกต่อไปแต่ว่าจิตใจของท่านเองก็ยังมีกิเลสอยู่ยังต้องหมุนวนอยู่ในทังสารวัตรแต่ว่าอยู่เป็นสุขอยู่ระยะหนึ่งก็นานพอสมควรนะนานนนานถ้าเทียบกับโลกมนุษย์เราแล้วก็นานเอามากๆแต่วา่าถึงจุดหนึ่งก็ต้องจุดติ องค์มุนวนอ่ในทั้งสารวัตรอีกประสบความทุกข์ความทุกข์อยู่ได้อีกต่อไปประการต่อไปก็คือเป็นอรูปประพรมหรืออรูปประพบเป็นภพที่ไม่มีรูปแต่แก่ท่านที่บรรลุฌานนะฮะบรรลุบรรลุบรรลุฌานสี่ประการอารูปฌานสี่ประการก็บังเกิดในรูปประพบแล้วก็สบถอยู่ในที่นั้นเนะ่ย แต่เป็นนามรรมาทำนะก็บอกว่าประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้มีรูปประทัแล้วก็อยู่ในสถานที่นั้นนาเนกาเลแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ต้องจุตอีกแหละเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นชาติอยู่เมื่อมีภพกับภพบกับชาติเนี่ยก็แยกจากกันไม่ได้ถ้าไม่มีชาติก็ไม่มีภพถ้าไม่มีภพก็ไม่มีชาติเพราะว่าชาตินั้นไปเหตุเป็นเหตุให้เกิ ด, กดไปสู่ภพ พบนั้นเป็นที่เกิดของผู้ที่ได้ผมผู้ที่เกิดเป็นที่อยู่ของผู้ที่เกิดแต่ว่ามันสืบเนื่องมาจากตันหาอุปาทานนะฮะเราจะเห็นว่าในปฏิจจสมบาทก็แสดงว่าตันหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดพบพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติชาติาตามีชาติก็มีชรามนาโศกาปเทวทุกขะโท ม, มนัตอุปาญาตพระพุทธเจ้าไม่มีพบ พระอาหารทั้งหลายก็ไม่มีพบไม่มีชาติอีกต่อไปนะครับแต่ว่ามีคุณอยู่เป็นอนเอกนกกนั้นที่พุทธบริษัทสามารถจะน้อมนำคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักใจมาเรือนใจมาประพฤติปฏิบัติไปเกิดผลเป็นความสุขความสงบได้เมื่อผู้เจ้าจัดวยญกรณพาสิทธินี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุรีปราศจา ก, าจากมุนทิน แต่เกิดขึ้นแก่ท่านอญญาโกนทันดาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาหมายความว่าเห็นนารียสัตว์ทั้งสี่ประการนั่นเองรอเราเห็นว่าทุกนั้นเกิดมาจากส ม, มุทยัยเมื่อไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดามันก็นิโรธมันก็มีการดับไปเป็นธรรมดาและตัวมันที่เกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปสังขารตั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ในขณะเดียวกันจะทําให้ดับไปอย่างสิ้นเชิงโดยไม่กําเริบอีกก็ได้ด้วยการทําให้แจ้งในนิโรธสัตว์เพรา ะ, ะนั้นก็เป็นการเห็นความจริงในอริยสัตว์ตามที่ท่านได้สดับมานั่นเองแต่ว่ามาสรุปว่ายังกินจิสมุทัยธรร ม, มังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็ น, ปนธรรมดาสัปันตังนิโรธาธรร ม, มังสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ก็ไม่มีอะไรที่ควรแก่การยึดมั่นหรือมั่นโดยเฉพาะอัตราตัวตนอย่างที่ท่านไปยึดติดอยู่นะฮรเพราะว่าแนวแนวของโลกทั้งหลายเนี่ยมันมีอัตราตัวตนแต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านละสักกยัติจิคือความเห็นเป็นเอถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกไปตรนี้จะมีความรู้สึกแยกย่อยออกไปโดยวิจิตพิสดาร เราโดยสรุปก็คือเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนมีในขันห้าเห็นขันหน้ามีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในขันห้าเห็นขันหน้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีในตนตนมีในขันห้ารวมแล้วห้าสี่ก็ยี่สิบเป็นสัตยายี่สิบแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นผลคือเกิดมาเกิดมาจากสมุทยัยเพรา ะ, ะนั้นแกก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาอัตราตัวตนที่ว่ามันก็ไม่มีอยู่อย่างแท้จริง เพราะมันเป็นกระบวนการของการกระดับเท่านั้นนี่ประการหนึ่งนะฮะอีประการหนึ่งก็คือความทุกข์มาเกิดขึ้นได้เนี่ยก็มีสมุทัยมาดับได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็พูดว่าพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นไม่สอนเรื่องอื่นเลยแต่อย่าลืมว่าทุกข์นั้นเป็นผลความดับทุกข์ก็เป็นผลซึ่งจะเกิดขึ้นมาก็าโดยการสร้างเหตุก็คืออริมัชยองแปดประการ ไปสร้างนิโรธขึ้นนิโรธก็ไปดับที่ส่วนสมุทยัยสมุทัยดับทุกข์ก็ดับเป็นกระบวนการในต่อเนื่องกันอย่างนี้แล้วท่านก็เล่าถึงปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ก็เป็นการแสดงเพียงครั้งแรกนะฮะปฐมเทศนาเนี่ยแผ่นดินไหวพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาเนี่ยแผ่นดินไหวแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่เคยไหวนะฮะเพรแสดงเฉพาะปฐมเทศนาทาน่านเด่งที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมา แบอกว่าครั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้วเราภูมิเทวดาได้บรรลือเสียงว่านั่นพระธรรมจักรกันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงประกาศให้เป็นไปแล้วในะิสิปัตนะมฤคธายวันเขตปนครพารณสีอันสำนัพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆ ใ, ในโลกจะปฏิวัติไม่ได้หมายความว่าใครจะเปลี่ยนแปลงคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ เพราะคำว่าปฏิวัติตังอปะอปิิวัติยังเนี่ยเป็นภาษาบาลีคือที่เรานำมาใช้ปฏิวัติกันทุกวันเนี่ยเป็นภาษาบาลีมีอยู่ตั้งแต่ประสูตรแรกธรรมเทศนาเป็นนันมากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในรูปปฏิวัติคือความเชื่อถือของคนในยุคในสมัยตรงนั้นเพราะว่าไปใช้ผิดด้านน่ะปฏิวัติก็คือพลิกกลับออกมาอีกด้านหนึ่งขึ้นมาใช้ จะหัวเป็นก้อยจะก้อยเป็นหัวเพราะแนวที่เขาทรมานร่างกายกันอยู่ในสมัยนั้นก็ถูกปฏิวัติแนวปนปปือร่างกายก็ถูกปฏิวัติทั้งสองอย่างให้มาอยู่ในท้ำกลางคือไม่ทรมานร่างกายเกินไปแล้วก็ไม่ปนเปือร่างกายจนเกินไปโดยส่งแสดงดังกฎของอธิยศาสตร์ทั้งสี่ประการเราจะพบว่า ในปัจจุบันนี้ทุกคนมองเห็นความสําคัญของอาณาจักรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในวงการบริหารราชการต่างๆข้าราชการประจำนะครับการาการเมืองคิดยังไงไม่ทราบแต่ข้าราชการประจําจากที่เคยประชุมแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยเขามองถึงกระบวนการอยศาสตร์กันมากพระอาณาจักรจริงๆนี่ทุกก็คือสภาพของปัญหาสมุทัยก็คือสาเหตุแห่งปัญหา มีโรคก็คือความปราศจากปัญหาหรือไม่มีปัญหามักก็คือหลักการวิธีการที่จะดำเนินไปสู่การขาจัดสาเหตุของปัญหาซึ่งถ้าว่าเราทำงานอะไรก็ตามเราศึกษาทำโครงสร้างเหล่านี้มันก็เหมือนกับโรคศึกษาสมุดฐานโรคศึกษาอาการโรคศึกษาสมุดฐานโรคศึกษาความดับของโรคความดับของโรคนําเป็นเ ป, นป้าหมายเฉยๆนะฮะคือไม่ต้องทาอะไรมัน แต่หลักการวิธีการในการเดียวยารักษาโรคเนี่ยจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้เกิดความรอบรู้เกิดความเข้าใจในการที่จะดับโรคตัวนั้นออกไปเพราะงั้นในอริยศาสตร์ทั้งสี่ประการยังถือว่าเป็นสูตรสำคัญที่เราทำอะไรผิดขวาผิดตัวกันอยู่ในปัจจุบันส่วนมากเราไม่ได้คำนึงถึงถึงหลักของอริยศสตร์ทั้งสี่ประการแต่ถ้าเราได้คานึงถึงหลักอริยศสตร์ทั้งสี่ประการแล้วก็จะเห็นว่า ถ้าดําเนินตามขั้นตอนตามที่ส่งแสดงเอาไว้หมายความว่าทุกกับสมุทัยนะั้นเป็นคู่หนึ่งทุกมาเป็นสภาพของปัญหามันมาจากสมุทยัยอย่างบ้านเราอย่างนี้สมุทัยใหญ่ๆนะี่คืออะไรปรัญหาโรคเอดปัญหายาบ้าปัญหาคอร์รัปชันปัญหาของเถื่อนปนัญหาน้ํามันเถื่อนปนัญหาอาวุธสงครามปัญหาชายแดนปนัญหาแรงงานเถื่อนและอะไรต่างๆ ซึ่งแต่ละอย่างนั้นมันเป็นสภาพของปัญหาแต่ถ้าเราถามมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากตัณหาหรือทั้งหมดเดี๋ยวมันก็สืบเนื่องมาจากตัณหาหมายความว่าจิตใจของบุคคลดิ้นรนแต่เยอแตยานอยากรัตนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในสิ่งต่างๆ่และในที่สุดเมื่อไม่ได้ไม่มีไม่เป็นท่านก็รู้สึกเดือดร้อนเพอได้พอมีพอเป็นท่านก็อยากเป็นไปเรื่อย ในสุตก็หาข้อยุติไม่ได้แล้วเสียงทั้งหลายเนี่ยก็เทวดาชั้นต่างๆก็บรรลือไปเรื่อยๆนะฮะเทวดาชั้นจ่าตูมาราษชั้นดาวดึงชั้นยามชั้นดุสิตชั้นนิมมานาดีชั้นปรินิมิตตวสวัสดีก็บรรลือไปเรื่อยๆเทวดาที่นับเนื่องในหมู่โรลมได้ยินเสียงเทวดาชั้นปรินิมิตตวสวัสดีแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาค ทรงประกาศได้เป็นไปแล้วนะ่าอิสิปัตนามรุกฐายาวันเขปนครพาราพารานสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครในโลกอย่าปฏิวัติไม่ได้ทั่วขณะการครู่นหนึ่งเสียงกระชอนขึ้นไปถึงพรหมโลกโด้วยประกาศนัชนี้ทั้งหมื่นโลกกระาธาดนี้ได้หวันไหวสะเทือนสะทานเป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏแล้วในโลก ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเ ป, ปริงพระพุทธานว่าท่านผู้เจริญโกลทัญย่ได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกลทัญย่าได้รู้แล้วเนาะเพรศนั้นคําว่าอัญญาโกลทัญญ่าจริงได้เป็นชื่อเป็นชื่อของท่านโกลทัญย่าตั้งแต่นั้นมาแปลว่าโกลทัญย่าผู้รู้แล้วโดยอย่าลืมนะฮะว่าพระโกลทัญย่าถ้าเราประมาณการเอา คือท่านไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้ล่ะแต่ว่าลองประมาณการดูว่าท่านเป็นหมอที่ทำนายลักษณะของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งให้จำนวนพราหมณ์แปดคนดีเสีว่าตอนนั้นอายุท่านยี่สิบะเจ้าตัดสรู้พระชนมายุสามสิบห้าเต็มมาบวกกับยี่สิของท่านก็เป็นห้าสิบห้าห้าสิบห้าเนี่ยพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ในปีที่สามสิบก ก็แสดงว่าท่านอยู่ในปีที่สามสิบห้าสิบหกะก็เป็นผู้ใหญ่ถเทียบกับพระเจ้าแล้วอายุห่างกันสามสิบกว่าปีนะอายุห่างกัน30นะงสามสิบกว่าปีแต่ว่าเพราะความที่ธรรมะซึ่งพระองค์ทรงสัรสรู้นั้นเป็นสัจธรรมจริงๆไม่มีใครจะพิเส อ, อไม่มีใครจะปฏิเสธถึงความจริงแห่งสัจธรรมเหล่านั้นได้ฉะนั้นทำให้ คนอย่างพระอัญญากลธรรัญญาซึ่งเป็นคนแก่คนเท่านะสมัยนั้นก็เป็นคนเท่าแหละอายุห้าสิบหกเนี่ยก็เป็นคนแก่มากยอมตัวเป็นลูกศิษย์เป็นปฐมสาวกคนแรกของพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็ขอบวชในสำนักพระพุทธเจ้า พระเจ้ารับสั่งสั้นๆนะว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติปรมจรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดโดยการรับสั่งเพียงสั้นๆตอนนั้นเองเพศของพระัญญากนันญาก็เปลี่ยนจากนักบวชประเภทภิกษุเหล่านั้นนะ่ก็เขาบอกว่ามีพาทิพที่เกิดขึ้นมาคลุมร่างแลวผมก็ถูกโกนไปเกลี้ยง เป็นพุท ธ, ธานุภาพกับแต่ว่าบุญญานุภาพนะฮะเขบอกเป็นบุญญานุภาพอนุภาพของบุญที่ท่านเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้โดยการเคยถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์มาในอดีตชาติเนี่ยทำให้ผ้า ท, ทิพย์เกิดขึ้นแล้วมาคลุมร่างของท่านนั้นก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าการทว่าถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์เนี่ย เป็นบุญเป็นกุศลที่สะสมเอาไว้แล้วว่าถึงชาติสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็จะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระยาบุคคลแล้วก็จะมีพาทิพย์เกิดขึ้นมาคลุมร่างกายให้กลายเป็นพระเทพระเหมือนอายุสักหกสิบปีทัางฟังทั้งหลายได้ร่วมมบวชทยาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงดงามไปบุญในธรรม ยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี